สงบสงบการเป็นนะปฏิบัติธรรมสงบสงคนยิ้มก็ะดานะพี่กินยังเด็ก น, น ะ, ะเวลาเขาเล่นเกมเ็าเล่นได้เป็นหลายชั่วโมงนะสปบนะเน็นเป็นสมาธิไม่ได้เขีย ว, วเด็กถึงผู้ใหญ่นะต่คิมสมาธิคือเรามีความสงบในสิ่งที่เราทำ ไ, มไหมเป็น ถ้าเรามีความสุกในสิ่ที่เราทํามันก็ทําได้เรื่อยาางานการกีฬาหรือว่าเดินนิ่งนะถ้าเราทําแบบสนุกสนุกมีฟองสนนะุกเนี่ยก็ทำไ ด, ได้เรื่อยรแต่ทั้งวันเลยทั้งคืนปฏิบัติธรรก็ลองหมดเลยพิจิตไม่มีใครทํรานนะที่เราฟุดนะแต่บางทีเราตั้งใจเองมาถึงมาตั้งใจมากเกินไป เราคิดว่าจะติดอาถรรพต้องแบบทำคืบๆนิ่งๆนะหรือทำช้าๆวางหน้าน่น้อยเนี่ยถ้างาหน้าใหม่ได้นะนั่จดีใจหายใจให้มันสบายๆหน่อยนะบางทีเราก็แบบเหมือนหายใจไม่หินเนาะหายใจแบบเบาๆหายใจแบบช้นๆอย่างนั้นเนาะหายใจเบาๆ เดินไปก็มันหายใจไม่ทั่วท้องนะก็อจะตึงง่ายๆนะไม่ใช่ใครทำนะเราทำเองนะทำให้มันสนุกด้ยวยทำได้เร่งๆทีตันไหนมันทำาก็ก็เร่ง่นะเราก็รู้สึกสวยได้นะไม่ใช่ว่าต้องแบบตึงทันแบบเรแบบ่ๆแต่ลอดหลังจากก็ได้เร่นๆบ้างนะ เดินนี่ยก็เหมือนกะันนะบางทีก็เดินเดินเน้เนๆนะเดินเน้เนๆรู้มากบลบ้างไม่เป็นไรนะหลงไปก็รู้ทันค่ะจะ่าไปคิดว่ามันต้องรู้ร้อยเเซ็นตะมันจะเครื่องดึงไปลองทำแบบสนุกๆท่เน่เนนะเราจะมีความสุขและเราเจะเพลินในการปฏิบัติครับนะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะต้องเพลินตลอดนะนะ อย่ที่ว่ายอมรับว่มันจะเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาล้วก็ลองเล่นกับอารมณ์เล่นกับอารมณ์เช่นเบื่อลองเร่นซินะเหมือนพระจารย์ุ้มบอกว่าต่อรองประมาณสักหน่อยสินะเดี๋ยวบาีก็ลองเล่นเดีมันดูเบื่อแล้เบื่อก็เรื่องของเธอเลยนะเวลาจะเดินต่อหน้าอะไรนะดองต่อรองมันแน่นในใจนะบางทีก็ทาท่า อ่าผ่อนคลายเดินนิ่งๆไปนะเดินพอเหนื่อยก็จก็คลายไปนะหลับตัวง่วงมาเหลือห้าไม่เป็นไรนะง่วงก็เรื่องของเทเนทนะ์อนาะเราจะลืตาเปิดโตนะเราอยากจะหลับตาเขาจะลืงตานะนอนเราอยากจะอ่าง่วงนอนนะแล้วจะาหายใจตื่นนะสดชื่นขึ้นมาแ ก, แก้แก้มันเลยตอกแก้มเล็กโ เราไม่เคยแก้กิเลสนะนะเราแก้มันบ้างนะกิเลสมันเกิดเออขึ้นมาเราแก้มันบ้านมันเบื่อ่ะไม่ทําตามมันบ้างนะมันง่วงไม่ทําตามมันบ้างนะบางทีก็ต้องแก้งองโยมบางทีเหมือนทำใจแข็งโยวเหมือนเลี้ยงลูกนะบางทีลูกมองแง่จะแต่ใจเจบางทีก็ต้องแก้งตื่นใจเข้าบ้านเขาจะได้รู้ว่าเออตื่นฝนกันเองเป็นแบบไหน จิตใจก็เหมือนการนลอลองแก้มันลองเร่งนะมัน่าเป็นแบบคล้ายทีเร่งทีจริงบ้างนะแต่เราก็แต่เราก็ไม่ืมตัวเองเนาะไม่ใช่ไปคิดปุ้งร้านเรื่อยก็ทำสื่ๆนะแล้วก็คอยนนะสังเกตดูนะสังเกตดูร่างกายถ้ามันตึงเครียดถ้ามันต้งจ่อก็ สบายขึ้นนะที่จริงมันพม่อยู่ที่ท่านะหนุนนะติบสีกันแบบทำเราทำ an, BSCRI, แบบเินเพลินสนุกแต่ไม่ใช okay. ่เป็นจมเป็นจมแบบสนุกแต่สนุกสนานเนาะแบบสนุกแต่แบบรู้ตัวนะหรืออมยิไมนี่น้องเดินก็เหมือนแตนวาทีทาเครียดไปก็เดินแกลงแคนล่างก็ได้นะไม่เป็นไร ถึงกี่พุ้งสัานหนะ้าก็เดินถอยดันบ้านก็ได้นะหนึ่งองแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้เวลาพวกเราได้ภาวนาข้้งบนอีกสองชั้นถึแยกไปภาวนาขั้นบนก็ได้นะหรือวพุ่ใหม่ก็ภาวนาที่ตรงนี้ก็ได้นะเดินบ้านนั่งบ้านลอดงดูยอะนะแค่ไม่ถึงต่อที่โมงมักจนะไหวตาขึ้นกลับมาลงติดอีกหนึ่ง ของจริงเยวตรงนี้บางทีรวนกันเน่ยเก่งใจนะทำด้วยตอเก่งใจนะหรือทํำเพ้าะกาลังกำลังใจจากเพื่ อ, อ น, ตนอแต่ถ้าเราไปฏิบัติเองเ น, ะนี่ยบางทีเออมันต้องสู้อารมด้วยตัวเราเองแต่จริงสู้ชั้นบนนี่ยก็ยังแทบตันๆเนาะแต่จริงชีวิตจริงของเราบางทีเราอยู่คนเดียวก็มีสระจะ น, นอนจะ น, นั่งจะกิ น, น, นต่นางๆเนี่ย โอกาสที่จะอิสระตามใจตัวเองเมันเยอะเลยฉันนี่ลองไปทดสอบดูตอบไม่วงนะตอบใช้ความเพียร์ตอบแก้งคีเล็ดูแ <c oughs> ต่ลองเล่นกับมันดูนะเล่นกักคีเร็ดอ่าไม่ตามมันนะแต่ก็ไม่โผล่มันนะถ้าลองไปดีนะอย่าไปโผล่เขาอย่าไปเกลียดเขา <c oughs> เคิเล็ก็ทำหน้าที่ของเขาอยู่เป็นหน้าที่ของเ้าอย่าเลยอย่าไปคิดว่าทำไมเธอต้อง ม่ว ง, งนอนทําไมถึงฟุ้งซ่านทาไมถึงคิดไม่ดีเรื่องของเขาเหมือนกับแม่ค้าเขาขายผมงเขาทำหน้าที่ของเขานะแต่เราจะซื้อเขาหรือเป่าเรื่องของเรานะเคเล็กเข้าก็มาชวนเฉยนะชวนให้เราคิดชวนให้เราฟุ้ง ช, ชวนให้เราดีใจเปลียนใจเป็นหน้าที่ของเราเราจะตามเข้าไปห่ือเป่ ก็ชั้นบนนักเจิญนะ่ยนะแล้วก็ตาหมวกขึ้นให้พักงานถึงผมจะพากงานสบายๆในห้องแกก็ได้อืออยู่ตรงนี้ก็ได้นะรลบในเวลา 8-12 ตื่นงก็เตือูก็ได้หลบนะเดิน